พระมหาดิเรกและอาจารย์มงคลนะค ะ, ะก็โชคดีค่ะคลาสคลาสนี้ได้มาแต่มาได้แค่สามวันติดตามหลวงพ่อมาตอนที่ท่านไปฟลอยดาปีสองพสอาแล้วก็ไม่ได้ทำอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะแต่ว่าตั้งแต่เจอกันครั้งแรกเนี่ย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 ทุ่มหนึ่งก็ขับรถ ก, กับเพื่อนออกไปเอลเลนพอสามทุ่มร้านเปิดก็แห่กันเข้าไปพอมาเข้าแถวคอยบางทีเข้าแถวคอยจ่ายตังค์นะครับเปลี่ยนใจไม่อยากได้แล้วเดินออกเงี้ยแต่ของเยอะมากเป็นคนที่ของเป็นคนที่สังขารเยอะจริงๆพอพอได้ปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยอันนี้เป็นเรขอย่างหนึ่งก็คือว่าจิตใจมันเหมือนไม่มีระเบียบไหมคะคุณจะรู้ได้ไว่าคุณเป็นคนไม่มีระเบียบถ้าคุณดู ร, บรอบๆตัว ร, รอบๆ ข้าวของอะไรในบ้านเวลาคุณจะออกจากบ้านทีแล้วคุณนึกทุนต้องทําทุกสิบอย่างก่อนออกจากบ้านเนี่ยคนนั้น่จิตใจวุ่นวายมากนะอดายก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่มีปัญหาตรงนั้น <c oughs> ก็พอพอได้มาฝึกเนี้ยก็รู้เริ่มเห็นตัวเองเขาเริ่มเห็นแต่ก่อ น, นมันเห็นแต่คนอื่นถ้าเขามีเราก็อยากมีเขาเอาอะไรเราก็จะเอาบ้างอย่างเงี้ยทำไมเราจะเอาไม่ได้เนาะอุตส่าห์มาอยู่เมืองนอกเนี่ยส่งเงินให้พ่อให้แม่ได้เอา้าเราก็หาของเราได้แล้วก็ใช้ไปสิ แต่มันไม่ใช่แค่ตรงนั้นนะคะความสุขที่อยู่ภายนอกเนี่ยคุณหาไปเถอะขอให้คุณหาเร้องชีวิตเนะี่ยก็ไม่มีวันพอเราลองได้คุณได้ชิ้นที่หนึ่งคุณก็เบื่อคุณไปที่ชิ้นที่สองที่สามสี่ห้าหกคุณจะไม่มีวันหยุดเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณหาความสุขจะข้างในออกมานะคะความสุขที่ได้อยู่กับตัวคุณเองความสุขที่เข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่มีค่าที่สุดสาหรับชีวิต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 จะไปยากอะไรอยู่กัปัจจุบันก็ดูนาฬิกามเลยสิบห้านาทีทุกสิบห้านาทีเราก็จะเปลี่ยนพอพอนะพอคิดว่าตัวเองจะเริ่มคิดไปไกลก็บอกอุ้ยมันเป็นอดีตไปแล้วเห็นไหมคะเข็ยนนาฬิกามันเคลื่อนเป็นอดีตไปแล้วมันก็ตัดเลยนะมันก็ตัดลงตัดลงตัดลงพอสักวันนี้ค่ะสักบ่ายสองบ่ายสามมันก็สบายใจขึ้นมาเลยคือว่า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 บางทีงานมันมาต่อเนื่องเนี่ยมันมันก็จะไม่ไม่กังวลเรื่องอื่นอย่างปกติเนี่ยคุณลองยืนเนียคะคุณลองเอาแค่ยืนเฉยๆก็แล้วกันไม่ต้องทํางานหรอกยืนได้นานเท่าไหร่หรือว่านั่งเฉยๆก็ได้ค่ะจะอยู่เฉยได้นานเท่าไหร่เดี๋ยวก็โทรศัพท์เดี๋ยวก็อนุนี้อนั้นใช่ไหมคะเนี่ยก็ ค, คือว่าถ้าสติมันไม่มาช่วยเนี่ยคุณทําไม่ได้หรอกคุณทนไม่ได้